ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟัง ท, งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพยะเพราวสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความกลัวและก็เหตุให้เกิดความกลัวติชานุสนณีพราหมกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพพุทธเจ้าก็เล่าถึงประสบการณ์ต่างๆของพระองค์ ในขณะที่เป็นประโพธิสัตว์ยังไม่ได้สัตรู้มาโดยดําดับวันก่อนก็มาถึงช่วงที่พูดถึงคนที่มีสติปัญญาสามแล้วก็บ้าบ้ายเนี่ยมันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดความกลัวคือถ้าเรานับเตุให้เกิดความกลัวในตอนต้นๆทั้งหมดเนี่ยมันจะมีอยู่สข้อด้ยกัน แต่พูดง่ายๆโดยสรุปก็คือกิเลสกับกรรมกรรมก็คืออกุศลกรรมที่ออกมาทางกายกรรมวัจีกรรมมนโนกรรมที่ไม่บริสุทธิ์ส่งใช้คำว่ากายสมารจาร์ที่ไม่บริสุทธิ์วั จ, จีสมารจาร์ที่ไม่บริสุทธิ์มโนสมารจาร์ที่ไม่บริสุทธิ์ไปจากนั้นก็เป็นกิเลสประเภทต่างๆในช่วงต่อมาเนี่ยรับสั่งเล่า ถึงการแก้ปัญหาของโปรง่งเวลาประสบกับความกลัวเพราะว่าในช่วงที่บําเพ็ญเพียรเราจะเห็นว่าบางช่วงเนี่ยคืยชาตมันเสื่อมไปโดยเฉพาะช่วงที่บําเพ็ญทุกขะกริรยายใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ไม่รู้นะฮะเพรตในช่วงแรกในศึกษาสํานักอยู่ในสํานักอลาดาบทการามโคตอุตะกาดาบทกามบุ แล้วก็บําเพ็ญทุกกรรกยาถ้าเราดูที่มาเสียนาตสูตรที่จะเยอะมากเวลาเท่าไหร่ไม่รู้ไปใช้เวลาตรงนั้นไปกี่เดือนกี่ปีเนี่ยเราไม่รู้และช่วงหลังก็กลับมาบําเพ็ญเพยีเพยรทางจิตอีกประชุม ว, วิเคราะห์ตรวจสอบถึงช่วงที่สามารถทะลุทะลวงเข้าไปสู่สุดยอดของผลที่ทรงประสงค์ได้ ขอนกนรับสั่งเล่าว่าลูกกรพรามเรานั้นได้มีความ ด, ดังนี้ว่าชไนหนอเราพึงอยู่ในราสีที่รู้กันที่กำหนดกันว่าที่ส4บสี่ที่ส5้าที่ 15, ท 8, แปดแห่งปากเห็นปานนั้นจะอยู่ในสถานที่ต่างๆนะฮะซึ่งตามปกติแล้วคนจะรู้สึกว่าน่าสะบึงกลัวหน้าขนพองสยองกล้าวเห็นปานนั้น แล้วถ้ากระไรเราพึงเห็นความกลัวและความขาดนั้นดังนี้ตุก่อนพรามพอถึงสถานที่นั้นพระองค์ก็ไปในสถานที่นั้นทีนี้มันก็มีตัวกระตุ้นให้เกิดความกลัวอะไรก็ได้นะเช่นว่านกยูงทำไม้ให้ตกลงมาลมพัดใบไม้แห้งก็ดำริว่า ความกลัวและความขาดนั้นนั่นมาเป็นแน่และพรามพอพอพอหมายความมีเสียงกระตุ้นบางทีมันก็เกิดเกิดอาการความกลัวขึ้นก็ในช่วงที่พระไทยยังไม่หนักแน่นได้เห็นว่าเป็นการต่อสู้กันอย่างแรงระหว่างธรรมะกับกิเลสภายในพระไทยของโประคทีนี้ในช่วงเนี้ย ท, ที่เคยเล่าไว้วันก่อนว่า เวลาความกลัวเกิดเนี่ยมันเกิดในอิริยาบถใดยืนหรือเดินหรือนั่งหรือนอนหรือจงกรมเกิดในอิริยาบถใดจะอยู่ที่อิริยาบถนั้นแล้พิ้งพิจารณาตัวความกลัวแล้วก็เหตุที้เกิดความกลัวจนเหตุความกลัวส ง, งบความกลัวส ง, งบจึงเปลี่ยนอิริยาบถถ้าไม่เปลี่ยนถ้าไม่ไม่ส ง, งบฉันก็ไม่เปลี่ยน เป็นการเด็ดเดี่ยวมากนะฮะเราจะเห็นว่าเป็นสัตยาทิฐานเป็นความเชื่อมั่นเป็นความเพียรเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นสติเป็นอธิฐานแล้วก็ทําหน้าที่กขจัดกิเลสที่เป็นปฏิปักษ์กระทำออกไป พการเคลื่อนไหวที่อยู่ในเดียบทต่อสู้กับความกลัวจะบังเกิดขึ้นแต่เย็นพลังแห่งธรรมะเพราะในขณะนั้นไม่ใช่ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแต่ธรรมะจะมาเป็นตัวหลักและเป็นตัวปัจจัยเสริมเนีย่ยอีกเป็นอันมากซึ่งถ้าหากว่าเราเอาใช้บารมีสิบทัศน์เข้าไปจับนะ โดยจะเห็นว่าที่จริงก็เป็นเป็นศีลเนี่ยเป็นปกติและแล้วก็เป็นเป็นสลัดทือสละความกลัวออกไปแล้วก็จิตใจก็มีความเข้มแข็งเป็นเป็นอะไรเป็นทานเป็นศีลเป็นปัญญาเป็นออกจากกิเลสเป็นสัจจะเป็นอธิษฐาน เป็นอุเบกขาเป็นความเพียรเรียกว่าบารมีสิบทัศเนี่ยครบแหละเป็นตัวหลักบ้างเป็นตัวประกอบบ้างเป็นฐานเป็นฐานให้แกจิตบ้างทาหน้าที่ประสานงานเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการละกันก็เห็นเป็นกระบวนของกุศลธรรมที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นๆเพราะถ้าต้องการดูเนี่ยท่านผู้ฟังลองทดสอบดู จะสมมติ ว, มว่าเราอ่านหนังสือธรรมะฟังธรรม ะ, จะเจริญกรรมาฐานไว้พระสูตรมันดูซิมันมีธรรมะอยู่กี่ข้อดูที่จิตได้เห็นที่จิตได้จะเห็นว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันมีแต่ว่าพลังแห่งธรรมเนี่ยมันมากขนาดไหนถ้าพลังแห่งธรรมไม่มากความกลัวก็ยกพวกมาเหมือนกันนะฮะมันเป็นการชั ก, กเยอะคือเวลากุศลก็มีพลังเนี่ยอกุศลก็มีพลัง เขาก็ต่อสู้ก็ ก, กัดผาแกล้ๆก็บเราพลักขาวเนี่ยเขาก็ต้องระดมกําลังเขาทั้งหมดมาพลักเราเหมือนกันพระกิเลสกฐามะมันจะต่อสู้ชั ก, กเยอะกันอยู่ภายในใจอย่างเงี้ยวิธีการของพระเจ้าวิธีหนึ่งก็คือเผชิญหน้าสู้กันเลยฉันยืนอย่างเงี้ยถ้าจิตถ้าเธอยังกลัวใครก็บอกจิตเออถ้าเธอยังกลัวฉันก็ยืนอย่างเงี้ย ถ้าเธอไม่หายกลัวฉันก็ไม่เลอกจืนนะและในที่สุดพอจนจุดหนึ่งทั้งทั้งหมดะฮะหมายความว่าความกลัวเกิดขึ้นในริยบบทใดจะอยู่ในริยาบทนั้นตลอดระยะเวลาที่ความกลัวอย่างไม่หายไปื่อความกลัวหายไปก็จะทรงเปลี่ยนิยบบทซึ่งก็องค์ธรรมที่ทรงใช้เนี่ยจะมาก จากนั้นรับสั่งเล่านะรับสั่งเล่าถึงการปฏิบัติเราแสดงว่ามีคนอื่นที่มีนักบวชซึ่งพระองค์ทรงรู้เห็นอยู่อยู่ในแถบนั้นบริเวณนั้นน่ยก็ใกล้ๆรับสั่งว่าสำรับพามพวกหนึ่งสำคัญกลางคืนแท้ๆว่าเป็นกลางวันสำคัญกลางวันแท้ๆว่าเป็นกลางคืนยาวเราย่อมกล่าวความสำคัญอย่างนี้ในเพราะ อยู่ด้วยความหลงของอสมรภาร์เรานันเพราะถ้าใครหลงมันสับสนหมดอะกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันเป็นคานกลางคืนกินแล้วไม่ได้กินนะก็ะสับสนไปหมดทีนี้ส่วนพระองค์เองนั้นชัดเจนกลางคืนคือกลางคืนกลางวันคือกลางวันแล้วรับสั่งยับนะว่า ดูกรพราหม์บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวคำใดว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลแก่ชนเป็นนันมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นนันมากเพื่ออนุเคราะห์แก่โลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย บุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวคำนั้นกัเราเท่านั้นว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันนี้สูตรเลยนะฮะสูตรเลยหมายความมาเป็นเส้นทางเป็นพุทธวิถีเลยเป็นเส้นทางดําเนินของพุทธะทั้งหลาย เพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องโดยเสด็จร่อยอยุคนบาทยุคนบาทของพระพุทธเจ้าอย่างที่เราพบบ่อยๆนะคำบาลีสามคำอัธายาหิตายะสุขายะเราใช้ทุกเรื่องนะฮะถวายสังฆทานอะไรอะต่างๆนี อัมหากังทีกาัตังหิตายะสุขายะคืออัถายะเนี่ยไม่ได้พูดเพราะว่าการกระทําอย่างนั้นมันเป็นอัถะอยู่แล้วเป็นประโยชน์อยู่แล้วการให้ทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์บำเพ็ญความดีในลักษณะต่างๆเนี่ยมันเป็นอัถะคือเป็นประโยชน์อยู่แล้วแต่มุ่งไปสู่การเกื้อกูลการพิสูจน์ว่าเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลก็ดูที่เราได้รับความสุขหรือไม่ได้รับความสุข ผลประโยคนี้ให้เราสังเกตว่าเป็นประโยคที่ตั้งแต่โน้นนะที่จริงเนี่ยการแสดงถึงการเกิดขึ้นของพร a t h นา t r a y ในด้วยโครงสร้างเนี่ยพรูพุทธเจ้นั้นท่านเรียกว่าเอกบุคคลเอกบุคคลเมื่อบังเกิดขึ้นในโลกย่อมบังเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ส่วนเป็นมาก เพื่อเป็นการอุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเอกบุคคล น, นั้นคือพระอาหันตสัมมาสัพพิตตเจ้าพอมาถึงประธรรมก็ใช้โครงสร้างเดียวกันพระผู้เป็นที่พึ่งแห่งโลกทรงบำเพ็ญบารมีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย พระองค์ได้ัสรูอนุตตรสมาสมบทิยานแล้วโดวยอำนาจของความจริงนี้ขออุปตวันตรายทั้งหลายอยะได้มีแก่ท่านเัือภารกิจของพุทธบริษัทซึ่งรับสั่งผ่านพระสังฆรัตนะในคราวที่ส่งพระหันตษสาวกไปประกาศ พระพุทธศาสนาแก่โลกในครั้งแรกเนี่ยข้อความตรงนี้เลยนะฮะเพรา ะ, ะข้อความตรงนี้ถือว่านิปริยายเป็นอย่างนี้ตลอดไปตลอดมาแล้วก็ตลอดไปในอดีตในปัจจุบันในอนาคตต้องเป็นอย่างนั้นรู้เจ้าเป็นต้นแบบให้เราเกิดมาชาติเนี่ยคำตอบที่ต้องตอบให้ได้ก็คือว่า เราเกิดมาอาศัยพ่อแม่เนี่ยเราจะทดแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อย่างไรเราเกิดมานั้นได้รับประโยชน์จากชาติเนีเราจะให้อะไรแก่ชาติแก่ศาสนาแก่สถาบันประมากษัตถ์ถือจะต้องสำนึกกตัญญูที่สูงเพราะเราเองเป็นผู้รับเพราะรับราต้องทดแทนคุณ พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้เป็นผู้นูเคราะห์แต่ก็ไม่ต้องตาต้องการการทดแทนการบูชาไดจากเราหรอกถึงแต่ว่าเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้มองอะไรที่พระองค์จะได้จากพุทธบริษัทแต่มองการที่พุทธบริษัทได้สัมผัสสิ่งดีงามเช่นเดียวกับพระองค์คือโดยเสด็จลอยบาทพระศาสดาไป พระเะาพูดกันโดยถูกต้องไม่ลำเอียงนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ควรก่การยกย่องในกรณีนี้ในนนศาสนาทั้งหลายในโลกก็เป็นเช่นนั้นแต่ก็มีคนสูญเสียบาดเจ็บล้มตายกันเยอะนะฮะกว่าจะเกิดเป็นศาสนาอะไรขึ้นมาได้แต่พระพุทธศาสนานั้น ช่วยชีวิตมนุษย์ไปเยอะมากศีลปาณาีิบาตข้อเดียวเนี่ยช่วยชีวิตมนุษย์ไปเยอะช่วยชีวิตสัตว์ไเยอะปกป้องคุ้มครองสร้างสังคมสันติได้เยอะแต่ข้อที่น่าเสียดายก็คือว่าปัจจุบันนี่มันเป็นความเปลี่ยนแปลงที่ก็ยังนึกไม่ออกอ่ะนะ ่าถึงจุดหนึ่งศา ส, สนาเองก็คงอยู่ในภาวะจำนวนคือต่อสู้ต้านทานอะไรไม่ได้เพราะว่างานขับเคลื่อนธรรมะในระดับของของสังคมเนี่ยอย่าลืมระดับสังคมเนี่ยระดับสังคมมันต้องมีการให้คุณให้โทษที่ชัดเจน ถ้าคุณโทษไม่ชัดเจนนี่ยยากมากจใจมนุษย์คิดเองนะฮะคิดเองปิดทองหลังพระปฏิมาเนี่ยจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาเนี่ยร้องเพลงนะ่ได้นะฮะแต่ว่าไปฏิบัติตามเพลงนี่จะหาคนทำได้น้อยเราะการกระทำงานของพระพุทธเจ้า เป็นลักษณะของฝนที่ตกลงมาจากฟากฟ้าอย่างที่ท่านกล่าวไว้ว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม้ลังมาเองเหมือนฝนนั้นชื่นใจจากฟาก ฟ, ากฟ้าสุราไหลสู่แดนดินเป็นความดีสองชั้นผ่านปลื้มใจทั้งผู้ให้และผู้รับสมทวินแต่เราเห็นว่าฝนนั้นไม่หยิดดียินได้เลย แต่เป็นการเทียบเคียงในกรณีของความกรุณาที่บังเกิดขึ้นภายในจิตคือคนที่กรุณาเนี่ยเขาจะมีความสุขใจที่ได้ให้แต่คนที่รับการให้ของท่านเนี่ยมันมีความสุขใจที่ได้รับแล้วก็ควรจะทดสอบว่สุขใจที่ได้ให้เนี่ยมันเป็นยังไงสุขใจที่ได้รับก็แน่นอนเรารู้สึกว่าเราได้เรามีเราเป็น แต่ลองแสวงหาความสุขใจด้วยการให้ลองดูว่าเป็นสุขที่ถาวรยั่งยืนในกล้ๆก็กกกกเราให้ทุนนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เรียนจบเรามีความเจริญก้าวหน้าในฐานะตำแหน่งต่างๆมีข่าวมีคราวเราก็มีแต่ปิติดนะดีใจเออปิ้มใจว่าเรามีส่วนส่งเสริมสนับสนุนข่าวแต่ก็ไม่ได้คิดถวงบุญถงคุณอะไร แล้วก็ปลื้มใจดีใจก็พอแล้วก็จบอะไอ้ไจิตวิญญาณตรงนี้มันจิตวิญญาณแบบบรมครูเราเห็นว่าครูเองก็ต้องดูตรงนี้ดูที่พระพุทธเจ้ารับสั่งเนี่ยว่าสัตว์ผู้มีความไม่หลงเป็นธรรมดาเกิดขึ้นในโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชนเป็นมากเพื่อความสุขแก่ชนเป็นมากเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกืกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ย พระองค์ก็อยู่ในฐานะที่กวนยกย่องอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็ลดหลั่นกันลงมาเนี่ยคนที่ทำประโยชน์เพื่อมนุษยชาติทุกคนเนี่ยชื่อว่าโดยเสด็จเส้นทางรอยบาทพระศ า, าสดาก็ เ, าเป็นผู้ที่มีคุณุปการต่อโลกจากนั้นรับสั่งเล่าแล้ละรัสังล่าคือก้าวขึ้นมาสู่การบำเพ็ญเพียรทางจิตนะฮะ ลำดับขั้นตอนลขั้นตอนตรงนี้เป็นพระบาลีพุทธวจนะที่เล่าเองแล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงทางประสาสัมผัสของพระองค์เองโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือประสบการณ์จากพระไทยของพระองค์เป็นธรรมะจากหัไทยถือหมายความมาเราเองก็คงจะต้องสัมผัสในอย่างนั้นธารมะอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นรับสั่งว่าดูก่พรามความเพียร เราได้ประรบแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนลองสังเกต น, นะครับความเพียรเราได้ประรบแล้วไม่ย่อหย่อนสติตั้งมั่นไม่ฟันเฟือนทั้งเป็นอาการของอะไรเป็นอาการของอาตาปีสัมปชัโนสติมาวินยโลเก อ, อภิชาโดมานัตสังที่ทรงแสดงไว้ในมาสติปฐานาสูุด เป็นความเพียรที่เป็นไปทางกายทางจิตอย่างแรงกล้าแผ็ดเผากิเลสได้ ร, ร่ารรอนมีสติมีสัมมชัญญะแล้วก็จิตใจสติจนจนสติตั้งมัน่นไม่ควันเฟือนคือคือไม่หลงไม่งมงายสติก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นสติมาคือมีสติจากนั้นกายสงบ กายสงบนั่งไปปฏิสธิกายสงบกายสงบระ ง, งับแล้วไม่รัศม์รัศยกายสงบก็มีสองระดับระดับหนึ่งก็อยู่ในที่สงบเงียบระดับที่สองก็คือสงบจากบาปอากุศลที่แรงๆเป็นกายยตุจริตเพราะสมัยนั้นในขณะนั้นน่ยกายก็สุจริตวิจิก็สุจริตปัญหาต้องทําก็คือจิต จิตไม่ระสำมระสายกายเองก็ไม่ระสำมระสายจิตก็ไม่ระสำมระสายก็จิตตั้งมัน่นมีอารมณ์แน่ๆคือเป็นสมาธิติดแล้วก็เข้าสู่ปฐมฌานนะฮะแสดงลำดับของฌานฌานที่สัมผัสเนี่ยว่าลุกอนพรามเรานั้นสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรม อากูส่แล้วทำคืออะไรคือนิวรอนกามคืออะไรคือกรามฉันกรมฉันก็เป็นนิวรณ์นั่นแหละหมายความว่าใจไม่สายไปในกิเลสทั้งหลายก็แล้วกันมีความผ่องใสแห่งจิตภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีเออไม่ไม่ไม ไม่ใชบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปีติได้สุขเกิดแต่วิเวกอ น, นี้คือองค์ฌานความคิดไปในจิตมันเป็นตะกุศลมีวิตกที่เป็นกุศลวิจารที่เป็นกุศลปีติเป็นเป็นผลของกุศลเขาทหน้าที่สงบภกพยาบาทแล้วก็วิตกวิจารปีติสุขเอกคาตา องธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นหาข้ออกุศลหข้อสงบพอวิตกเกิดเนี่ยความม่วงสงบวิจารณ์เกิดความสงสัยสงบสุกเกิดความฟุ้งซ่านสงบปีติเกิดความพยาบาทสงบเอกกตาคือสมาธิเกิดเนี่ยกามฉันสงบที่ก็เดินต่อไปมันไปสงบตัววิตกกับวิจาร หมายความว่าจิตไม่นึกไม่คิดละมันมีแต่ปีติเมตสุขมีแต่ส ม, ตมาธิบิตก็อิ่มท่านบอกว่าเป็นความสุขที่ที่หวานใจยิ่งนักเค้าเป็นเรื่องจิตสัมผัสพูดยากแต่เราไม่สัมผัสแล้วก็อธิบายยังไงมันก็อธิบายยากเพราะฉะนั้นจิตต้องสัมผัสเองแต่ใช่ไม่จะปรุงเอานะะไม่จะปรุงเอา สัมผัสก็คือสัมผัสไม่สัมผัสก็คือไม่สัมผัสเพราะเราเห็นว่าถ้าจิตมันปีติแล้วก็มีความสุขเป็นธรรมดานะปีติกับสุขก็ต้องอยู่ด้วยกันแนหะแต่จิตมันนิ่งก็สงบสงทรงอธิบายว่ามีวิตกวิจารณ์มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่แล้วบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายใน เป็นตำเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปีติและสุขเกิดแต่สมาธิมีเบกขามีสติมีสัมมัญญาสวยสุขด้วยกายแล้วก็เพราะปีติสิ้นไปก็บรรลุตติยฌานทสรุปว่าในในในตติยฌานเนี่ย ประกอบจิตประกอบด้วยปีติสุขกับเอกกตตาพอมาถึงตัติยชาเนี่ยจิตจะเหลือแต่สุขกับเอกกตตาพอมาถึงจตุตาชาเนี่ยจะเหลือแต่อุเบขากับเอกกตตาและเย็นว่าเอกกตาก็คือสมาธิอุเบขาก็คือปัญญาอุเบคาก็แปลว่าเพ่งดูนะแปลว่าเพ่งดูมีการจําแนกแสดงไว้เยอะมาก รวมแล้วก็สิบข้อโดยกันโอเบคาจึงในโอกาสหนึ่งก็จะนำมาอธิบายขยายความนะสักชุดหนึ่ ง, งนะแต่ตัวอธิบายเองเนี่ยบอกว่าเพราะปีติสิ้นไปบรรลุทุติยชาตตาติยชาตที่พระอริยะสาวกทั้งหลายสรรเสริญว่า ผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีเบกขามีสติอยู่เป็นสุขบรรลุ จ, จตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขและทุกข์ระดับโสมนัตโทมนัตก่อ น, นี้ได้มีเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่หมายความว่าจิตก็พร้อมนะกเกรียกกรรมนิยะคือใช้งานได้พอใช้งานได้สภาพจิตตรงนี้ก็รับสั่งว่า ตัวนี้จะขึ้นชานแล้วนะะเพราะว่าการบรรลุมรรคการตรัสรูของพระพุทธเจ้าเนะี่ยพระเจ้าไม่ไปที่ที่อรูปฌานนะพอบรรลุจเจตุจารนยะ์เนี่ยยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ตรงนี้ยลําดับทรงเรียงลําดับให้ดูว่าบรรลุฌานทั้งสามเนี่ยเป็นบนรรลุญาณพระญาณสามเนี่ยเป็นยังไงในข้อแรกคือปุเพ น, นิวาสอาติญาณ คือตาปกติแล้วเราก็ไม่อธิบายพระยา น, นิเทศของยาณสามนี่ยาวมากแล้วก็เป็นภาษาที่ค่อนข้างเป็นภาษาใจคือมัอนเป็นรู้เห็นด้วยใจอ่ะแต่เราก็ไม่บรรลุเราก็ไม่ชัดเจนทีนี้ดูสภาพใจที่พร้อมตัวนี้สาคัญนะตรงนี้สำคัญ คือบางทีคนเราประเมินตัวเองสูงเกินไปโดยไม่ดูว่าจิตเป็นอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้ถ้าจิตไม่เป็นอย่างนี้จะไม่เป็นอย่างนี้มันจะผูกโยงกันอย่างนั้นเพราะในการระลึกชาติได้เนี่ยยังไปอบรมเด็กในที่บางแห่งเนี่ยเด็กอยากระลึกชาติระลึกชาติได้บอกหนูระลึกตั้งแต่ก่อนเกิดก็แล้วกันแน่แ ต, แ ต, แต่ตั้งแต่ครอบครัวนะ่ะตั้งแต่จความได้ระลึกดูเถอะ ทำตรงนี้ก็ดีก็แล้วกันทำชาตินี้ดีก็แล้วกันทำไงหนูจะเป็นลูกของพ่อแม่ที่ดีได้ทำไมจะเป็นหลานของปู่ย่าตายายที่ดีได้ทำไมจะเป็นผู้ดำร ง, งสกุลที่ดีได้ทำไมจะเชิดชูนสกุลได้ทำไมจะสนองคุณของบุปการีทั้งหลายที่ทำให้หนูเกิดมานี่ได้คือไม่ต้องไปวุ่นหนึ่งชาติหน้าชาติก่อนหรอกชาติก่อนเรา ก, ก็ทำอะไรไม่ได้มันดับหมดแล้ว เาอาเฉพาะชาติปัจจนะุบันเนี่ยไปยุ่งอะไรกับชาติก่อนตั้งนานพระชาติปัจจุบันมันเป็นฐานไปสู่ชาติอนาคตชาติหน้าแต่ชาติอดีตเนี่ยมันเป็นได้แค่บทเรียนเรารู้สมมติว่าใครบอกเนี่ยคนาทั่วท้ายมันก็ไม่เชื่อก็ถามต่อกันไปเรื่อยเพราะตามปกติแล้วคนก็จะไม่เชื่อรับสั่งนะรับสั่งดูสภาพจิตตรง น, นี้วันตรง น, นี้สําคัญมากสภาพจิตี่ เรานั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์นะพองแพ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอุปกิเลสที่ว่าในตอนตอนน้นอ่อนโยนจิตเป็นกรรมนิยะคือใช้งานได้เราให้เราสังเกตอะไรก็ตามที่มันเป็นกรรมนิยะคือชใช้งานได้เนี่ยเช่นว่าอวัยวะมือเท้าของเราเนี่ยมันใช้งานได้บังคับได้กํากับได้ใช้งานแล้วก็ทําอะไรได้สารพัดเลย ควรแก่การงานแล้วก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้กาหนดพระไทยน้อมไปย่อมน้อมจิตไปเพื่อปุเพนิวาสารุติยานตั้งปหัหาถามว่าเราเคยเกิดไม้เราเกิดเป็นอะไรเราเกิดเป็นยังไงก็ระลึกชาติแล้วก็รับสั่งว่าเรานั้นย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมาก เรานั้นนะะคือพระองค์เนี่ยระลึกชาติได้เป็นนันมากแล้วก็นับไปเรื่อยๆเลยหนึ่งชาติสองชาติสามชาตินับไปเรื่อยๆจนไม่มีที่สิ้นสุดก็เรียกแล้วเราก็นับตัวเลขไม่ได้แสนชาติบ้างตลอดสังวัตกะเป็นนันมากบ้างตลอดอิวัตกะเป็นนันมากบ้างไอม้มากมากอะไรก็ยังไม่รู้ตลอดสังวัตกะอีวัตกะเป็นนันมากบ้าง เราทรงทราบรายละเอียดว่าภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนั้นมีวิพันธ์อย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพโน้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีพิพันธ์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นสวยสุขสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกําหนดอายุเพียงเท่านั้นก็จุติจากชาตินั้นก็ไปเกิดในภพในที่สุดก็ เราย่อมระลึกชาติก่อนได้เป็นนันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการในนีด้ดูก่อนพรามวิชาที่หนึ่งนี้แลเราได้บรรลุแล้วในปฐมยามแห่งราตรีให้ลองสังเกตสภาพพระภาพพระไถ่พระพุทธเจ้าตอนปฐมยามตอนตอนนี้พูดใต้ต้นโพนะฮะตอนนี้พู้พู ด, พดรับสั่งใต้ต้นโพแล้ว เป็นการประมวลข้อความในแนวเนี้ยจะอยู่ในสีละขันธวั์ในทีคันิกายนี่จะเยอะแล้วเหมือนกันทุกตัวอักษรคือแสดงว่าเป็นประสบการณ์ตรงที่พูดเมื่อไรก็คือเมื่อนั้นน่ะอาการก็คือว่าในปฐะแมงยมายาแมงราศีกรรมจัดอวิชชาเสียได้วิชาเกิดขึ้น อวิชาก็ดับ ก, กาจัดความมืดเสียได้ความสว่างก็เกิดขึ้นเหมือนบุคคลไม่ประมาทมีความเพียรเผากลี่เล่าร้อนมีตนส่งไปแล้วอยู่เะนั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าแนวพระพุทธคุณที่เราสวดธรรมวัตรธรรมวัตรเชานะ้านะฮะธรรมวัตรเช้าที่บทว่าพุทโธสุสุโธกัดุณามารนาโว แปล ว, ว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้สูสุโทรบริสุทธกรุณามาโนโวมีความกรุณาดุดท่วงทะเลหลวงตัวนี้มันเกิดขึ้นโดยลำดับและการเกิดในเรื่องเหล่านี้ท่านบุกฝั่งสามารถดูจิตของท่านได้นะฮะพเราสัมผัสพระพุทธคุณได้ระดับหนึ่งเช่นยกตัวอย่าง เราเคยดื่มเหล้าเราเคยสูบบุหรี่เราเคยเล่นการพนันต่อมาปัญญามันเกิดขึ้นกาจัดความเข่าตรงเนี้ยที่เป็นเอเดโลบอยากได้ด้วยอยากอยากดื่มเหล้าอยากสูบบุหรี่อยากเล่นการพนันเนี่ยแล้วสุดก็ตัดสินใจเลิกชัดเจนในคุณของการไม่เสพสิ่งเสพติดในการไม่ตกเป็นทาสของบายมุก ปัญญาเมันเกิดขึ้นก็ดับอวิชชาคือความเขาในในในประเด็นนี้ออกไปใจก็บริสุทธิ์จากความอยากอยากเรื่องการพนันอยากเสพสิ่งเสพติดอยากดื่มสุรามันดับนี้ดับแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดสำคัญว่าเรามองคนอื่นยังไง ถ้าเราเห็นคนสูบบรีแล้วรู้สดงแสดงอาการดังเกียดดุมหมินขยะขยแยงนะเหมือนหน้าปิดเอาอะไรมาปิดจมูกอะไรต่วไรเนี่ยมันเราดรับละกิเลสประเภทโลภะแต่ว่าไปสร้างกิเลสประเภทโทสะถามว่าอยู่ในวิถีพุทธหรือเปล่ามันไม่เข้าวิถีพุทธนะเพราะอะไรเพราะว่ากิเลสมันต้องดับด้วยกันมันดับโมหะ โมหะระดับหนึ่งนะฮะดับโมหะดับโลภะแล้วก็ต้องดับโทสะด้วยประเด็นี้ก็เนื่องก็เนื่องถึงกันดังนั้นจะต้องสงสารต่อคนที่ยังสุบุรีต่อคนที่เล่นการพรนันต่อคนที่ตกเป็นทาสของอบายามุขดนั้น มันก็มันก็สดครืองกับกับพระพุทธคุณพุทโธสุดสุดโธการุณามานะโวมันเห็นปัญญาเห็นความเปสุดเรเห็นความกุลมต้องเห็นครบทั้งสามข้อเห็นครบทั้งสามข้อคือยังนึกถึงประเด็นตรงเนี้ยบางทีเราสอบตกกันระเนระได้นะเอามาการตรงนี้โเอามาตรงนี้มาวัดมาจับเนี่ยบางทีแม้แต่พระใหญ่ใหญ่โตโตโอ้โหอ เป็นเราเป็นเขามีความแบ่งแยกภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานวัดนั้นวัดนี้นี่กายนั้นนี่กายนี่โอ้เป็นเรื่องที่น่าสนุกคืมายังมีความคิดอยู่เรื่องหนึ่งแต่แต่ก็ยังไม่ได้ทนะําะครับเจนนีกว่าจะต้องทำหนังสือเล่มนี้ออกมาให้ได้เป็นประสบการณ์เป็นแรงบันดาลใจที่เราพบบนเส้นทางจากการบวชมาเนี่ย แล้วก็เป็นเป็นเป็นคติธรรมจากสามัญชนมันมีคราวหนึ่งที่ตอนนั้นก็บวชไม่นานนะครับไม่สบายโยมเขามาเยี่ยมไม่รู้จักกันหรอกคือไม่ใช่ญาติรู้จักกันรู้จักแหละแต่ไม่ใช่ญาติกันเพราะว่าบริเวณวัดที่อยู่นี่ไม่มีไม่มีญาติเลย คนก็รู้จักกันใหม่ตอนเราไปจยู่แต่เขาก็ให้ความเมตตาอินดูพอไม่สบายเขาก็มานั่งนั่งเฝ้าอยู่ก็นอนคุยกันพอดีมีพระรูปหนึ่งมาทะเลาะ ก, กันเด็กด่าเด็กลั่นหมดเลยแกก็หันมาพูดบอกว่าดูที่ท่านเวเนี้ยเราไหว้กองกิเลส ข, ขึ้นที่กันแทแท้เนี่ย แกพูดมาตั้งแต่พศสองพันห้าร้อยนะฮะจนเดี๋ยวนี้มันยังแว่วๆอยู่ในหูเลยสี่สิบแปดปีเป็นประโยคสั้นๆแต่มันมันซึ้งมันตรึงใจมากมันเป็นคติธรรมจากสามัญชนเป็นความคิดที่บริสุทธ์เพื่อย้ำเตือนตัวเองให้ตรักนะ ที่เราพูดเราบางทีว่าเราไหว้ตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้สนิทใจต้พระพุทธเจริยาตรงนี้มันมันแสดงให้เห็นว่าโดยเส้นทางของพระพุทธคุณเนี่ยเราเราก็เข้าพยายามสัมผัสพยายามทำอย่างไงว่าอย่างเนี้ยกระรับสั่งว่า มีจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ใช่หมดกิเลสหรอกแต่ที่จริงมันก็สงบจากกิเลสไประดับหนึ่งระดับที่ทำให้บรรลุปฐมยานนะ น, นะไปไม่ใช่ปุเพนิวาสาติญาณแต่ประการสำคัญก็คือว่าการสัมผัสพระพุทธคุณเนี่ยเขียนปัญญาในจิต เป็นความบริสุทธิ์ในจิตแล้วโดยเฉพาะอยิน่งคือโลกธศต์การมองคนอื่นสัตว์อื่นเนี่ยทำยังไงเราจะมีความรู้สึกในคำพูดก็มาตรมขันธ์ทีโลกทั้งผองพี่น้องกันมันอบอุ่นมันสงบมันเยือกเย็นมันเป็นมิตรแต่ว่าทำยังไงจะสร้างได้มันเป็นการพิกจิตขณะเดียว เดี๋พลิกได้หรือเปล่าก็พลิกยึดซะหน่อยคือบางครั้งบางคราวเนี่ยเราย่องไปหลงไหลยอยู่กับอดีตอย่างเหตุการณ์เงื่อนไขต่างๆภายในอดีตมันทําไมจะต้องสืบสารละ่ะมันไม่ใช่พุทธจริยานี่นะทําไมจะต้องสืบสารความคิดความอ่านของคนที่มากโดยกิเลสเหล่านั้นทําไมเราไม่ได้เกิดมาเป็นทาสของท่านเหล่านั้นเนี่ย เรายอมเป็นท่าเจ้าพ่อพัตนาัยเท่านั้นเองพุตัสสาหัสสมีดาโซวะข้าพเจ้าเป็นทาาพระพุทธเจ้าสยงาภาคภูมิเอิบอิ่มในการที่ได้เป็นทาาพรระรัตนาใจเป็นผู้รับใช้พรระรัตนาใจสนองงานพระรัตนาใจพระรัตนาใจแต่คนอื่นเราไม่จําเป็นน่ะไม่จําเป็นจะต้องสืบสารท่นบุรพ a j ย์สมมุติบุรพา a j ย์ก็เราดูว่าท่านถูกหรือท่านผิด มันมีธรรมวินัยมันเป็นมาตรวัดอยู่แล้วเราไม่ดูที่ท่านเรารู้ที่พระธรรมวินัยว่าอย่างไงถ้าถามอาจารย์ว่าอย่างไงละ่ะอุปชาว่าอย่างไงละ่ะมันอ้างได้ในบางการณีนะแต่ว่าเราไม่ได้บวชอุทิศอาจารย์อุปชาเราบวชอุทิศพระรัตนตรยัยมันจะต้องมองไปที่พระรัตนตรยัยถ้าไม่อย่างนั้นต่างคนต่างก็ถืออาจารย์และถือขาอาจารย์อย่างที่เขาเล่านะว่า รู้สิสองคนนวดขาอาจารย์กันคนละคนคราวหนึ่งรู้สิทิคนที่นวดขาซ้ายเกิดไปนวดขาขวาแล้วทําขาขวาของอาจารย์เนี่ยหักรู้สิทธที่นวดขาขวากโกรธบอกเพื่อนมาทําขาขวาของตัวเองเนี่ยให้หักไปก็มานวดขาซ้ายอาจารย์หักด้วยเลยอาจารย์เดินไม่ได้เลย อันนี้คือเราจะเห็นว่ามันกระลายเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาซึ่งไม่ใช่วิถีพุทธไม่ใช่วิถีพุทธเพราะว่าอาจารย์ในทั้งขาทั้งสองขาของอาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ของเราทั้งคู่เป็นอาจารย์เขาลูกศิษย์ทั้งคู่แต่มันเกิดคิดแบ่งแยกพอคิดแบ่งแยกมันกลายเป็นเราเป็นเขาแต่ว่าแนวบุเพนิวาสาัตยานเป็นการสะท้อนใ้เห็นว่า บนเส้นทางของคุณธรรมหลักตัวเหตุลองสังเกตว่าตัวเหตุมันจะมีอยู่สี่คำไม่ประมาทมีความเพียรตัวไม่ประมาทกับตัวความเพียรเนี่ยจะเผากิเลสให้ร้อนโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งตัวตัวความเพียรทำหน้าที่เผากิเลสให้ร้อนแล้วส่งตนตนไปแล้วแหล่อยู่ก็คือปัญญาคือสัมมาชัญญะเพรา ะ, ะตัวตั ว, ต, วตัวธรรมะหะักที่บอกว่าพวกเนี้ยมันเหมือนกับแม่เสียเขาอยู่ทุกแห่ง สติสัมปญัญญะความเพียรเนี่ยเขาอยู่ทุกแห่งถ้าเขาไม่อยู่เนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้หรอกกิเลสก็คล้ายๆกับตัณหามาณทิฏฐิเนี่ยก็อยู่ทุกงานนั่นนะก็อยู่ทุกงานน่อยู่ทุกแห่งอ่ะอยามใดที่เรามีกิเลสขึ้นมาเราจะเห็นตัณหามาณทิฏฐิอยู่แต่เข้ามาในฐานะเป็นอมิติตคิดร้ายทำลายล้าง เราไปจำนวนไปยอมสยบกับเขาก็ก็ผลักใสเสือกใสขับใสให้เราเลื่อนไหลไปตามกระแสของเขาเพราะจะต้องมีการประทะต่อสู้ต้านทานกระแสเหล่านี้เอาไว้ที่นี่ในตัวพระญาณเนี่ยท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าในตัวปุปเพนิวสาธติยานเนี่ยมันบ่งบอกอะไรที่จริงมันจะทอนถึงความมีอยู่ของสังสารวัฏ เนการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตรรับสั่งว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนี้มีโคดอย่างนั้นมีพิวพันอย่างนี้มีอาหารอย่างนั้นเศรษสุขเศรษุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นเห็นไหมฮะยุติคือตายแล้วก็ไปเกิดในที่นี้ทรงใช้คาว่ า, าไปเกิด เป็นชาติคือเกิดแต่เรียกอุปา ป, ปัตปปปติคือการอุบัติหรือาการบังเกิดขึ้นก็หมายความว่าคนเราตราบใดที่ยังมีกิเลสยังมีกรรมอยู่เนี่ยคุณก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณเชื่อพระยานของพระพุทธเจ้าเพราะการเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นจากพระยานแต่ก่อนก็คือเจ้าชายทิฏฐา พยานทั้งสามนะไม่ใช่พยานข้อใดข้อหนึ่งพรยาณทั้งสามเนี่ยทำให้พระองค์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นในการไปเสด็จปัญหาว่าคุณมียาหรือเปล่าล่ะคุณมียาหรือเปล่าพระรูปเจ้าเหมือนคนไปยืนอยู่บนตึกสูงสุดของอะไรประโยคกนะฮะเขาว่าประโยคสองที่สูงที่สุดแล้วมองไปทางตะวันตกเห็นพระปฐมเจดีย์ตีต่างว่านะะ แล้วท่านลงมาบอกว่าท่านยืนชั้นสูงสุดของตึกใบหยกในเห็นพระปฐมเจดีย์อย่าลืมว่าจุดที่ท่านยืนเนี่ยสัมพันธ์กับสิ่งที่ท่านเห็นแล้วก็ทิศทางที่ท่านมองสามอย่างนี้ต้องต้องต้องต้องเกื้อกูลกันนะฮะจุดที่ยืนทิศที่มองสิ่งที่เห็นถ้าจุดยืนแต่หันไปทางตะวันออกก็ไม่เห็นหันไปทางใต้ก็ไม่เห็นหันไปทางเหนือก็ไม่เห็นต้องหันไปทางตะวันตกทิที่พระประถมเจดีย์ตั้งอยู่ ทีนี้แต่องค์ประกอบข้อเนี่ยมันเกิดหายไปจากข้อการเห็นก็เกิดขึ้นไม่ได้จะเห็นก็เห็นสิ่งอื่นเพราะการลึกชาติได้เนี่ยมันเกิดมาจากปุเพนวิวาสารติญาณถ้าไม่มีปุเพนวิวานสานิตยานก็ระลึกชาติไม่ได้เพราะงั้นการที่คุณปฏิเสธว่าไม่จริงอะ่ะคุณมียายหรอือเปล่าถ้าคุณไม่มียาคุณไม่มีสิทธิ์ปิเสธ เพราะจริงๆพระพุทธเจ้าก่อนที่จะบรรลุญาณพระองค์ก็ไม่รู้เหมือนกันเระการเสด็จออกพนุษ์คราวแรกของพระองค์เนี่ยไปคิดว่าเกิดแก่เก็แก่เจบตายไม่ใช่แก่เจ็บตายเนี่ยมันมาจากเกิดจะเกิดมาจากอะไรเนี่ยพระองค์ยังไม่รู้ตอนนั้นเนี่ยก็รู้ตอนนี้แต่ว่ารู้ชัดเจนเนี่ยตัวพระญาณที่สอง ซึ่งจะกล่าวในเอากสารต่อไปพอดีมันมาเจอพระยานนะเราก็มาหารายละเอียดจากพระยานเพราะว่าเป็นฐานที่จะศึกษา ร, ระดับธรรมะระดับโหลระดับสินธรรมจัน ญ, ญาคือพระยานสองข้อเนี่ยยานข้อหนึ่งข้อสองเนี่ยเป็นฐานสําคัญถ้าเราเชื่อในพระยานตรงนี้แล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวถ้าเราบรรลุเองแล้วยิง่งยิ่งได้หลักเลย